เมื่อนี้จึงเว้าความจริงสู้กันฟังถ้าหากบอกว่าความจริงสู้กันฟังแล้วก็ซื่งว่าเหาเข้าพรรษาระยะสามเดือนมานี้กะโบได้ความจริงแต้คมกพยายามว่าความจริงให้ฟังทุกเศร้าทุกเย็นแม้ตอนสั่นเช้าสั่นกลางวันกะเว้าถ้าหากผมมาถ้าผมโบได้มาแล้วกะผู้อื่นแต่ว่าแทนถ้าผมอยู่ดีมีแฮงผมกลับมาว่าลถ พอมาได้ผมเมาลบมาวาให้สั่งเพราะว่าทุกคนต้องการของจริงต้องซอนของจริงกันซอนของจริงสอนอย่างไดซ่อนให้คนรู้จักคนคำว่าคนคนเนี่ยต้องเป็นคนมีปัญญาให้ซื่อวา่าขนคนจึงมีหลายสิ่งหลายอย่างมีดีบ้างมีซัวบ้างมีไม่ดีมีไม่ซัวเนี่ยมันมีอย่างสั่งดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้ว เพิ่นตัดได้ดีแล้วสัตว์ทั้งหลายวะท่นคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตพลวัตอย่างสันแต่บางคนอาจจะเข้าใจบางคนอาชิโมเข้าใจคำว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตคือเราตถาคตคืออย่างไรเพราะคนอินเดียก็มีตาสองตามีหูสองหูมีเท่ากันกับ แล้วหลวงพ่อเคยได้ไปอินเดียบอะครับแล้ว ค, คนอินเดียมีจักตาครับมีหูเด็ครับเหมือนกับคนไทยเลยครับในใ ค, รคนไทยก็ศึกษาได้คนจีนก็ศึกษาได้คนฝรั่งเศสก็ศึกษาได้คนอังกฤษคนอเมริกาคนคาเมนคนยวนคนลาวคนเยอรมันให้ว่าคนญี่ปุ่นไต้หวันที่จะศึกษาได้มื คำสอนคองพระพุทธเจ้านี่จ้ะเป็นกลางกลาเป็นคำสอนของบุคคลที่รู้เป็นคำสอนของบุคคลที่เกิดปัญญาบบเมนเป็นคำสอนของคนเสื้อโลดได้โบเมนไหมจั่หวะทำลงไปให้หมันเกิดปัญญาทําลงไปแล้วบโบเกิดปัญญาเลิกได้อย่างที่หลวงพรวานั้นหลวงพรวาแล้วเมื่อกี้นี่วะทาซึ่งใดลงไปแล้วถ้าาบเกิดปัญญาเลิกได้ทําไม่จึงว่าอย่างนั้น เพราะว่านังสื่อธรรมวิจารหรือว่าหลักสูตรนักคำสั้นโพลุพกจาบวค่อยแน่บนเนี่ยผู้ที่เจริญสติปัฏฐานซีวาสันให้ถูกต้องและติดต้อกันเหมือนลูกโซ่สันย่างนานไม่เกินเจ็ดปีเนี่ยเป็นวางสันย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างไวที่สุดนับนั้งแตหนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวัน มีอา น, นิสงส์ประการนะท่านหนึ่งเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันศาสตร์นี้หรือภพนี้ถ้าหากไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในศาสตร์นี้ภ พ, น, าา น, พ, น, น, น, พนี้ก็ต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดเรื่องเป็นพระอนาคามีเนี่ยบัดนี้เราทํากรรมฐาน ท, ทําวิปัสสนามาบางคนเก้าปีสิบปียี 20, ่สิบปีก็ยังทำอยู่นะท่นละบอก ว, ว่าคนอื่นตัวเองก็ทํามาอย่างนั้น ได้ยี่สิกว่าปีทามาก็บูมหุจักม้ตำราบอกอยู่บอกให้เราได้คิดถึงตำราจักน้อยอันนี้กระสือว่าฟังแล้ววกเกิดปัญญาวกเข้าใจในคนหมาอ น, นั้นดังนั้นที่หลวงพ่อ น, นามาเล่าให้ฟังมือนีจะพยายามพูดให้พวกเราเข้าใจคำสุดท้ายนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์ทั้งหลายท่นเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้น แล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีย่างเราตถาคตนี้ถ้าหากเขาทาถูกต้องเป็นอย่างพระพุทธเจ้าจริงๆเราต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจต้องเป็นคือย่างพระพุทธเจ้านั้นเดี๋ยวนี้เอาไปเสื้อำํำคำหนึ่งที่เอามากวดน้ำนั่นว่า สัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทําลงไปแล้วในบัตรนี้เขามีหวังว่าเขาได้เหตุจย่างสั้นกี่มีส่วนได้รับบุญจากที่พระพุทธเจ้าทํามาแล้วนั่นอันนั้นถูกน้อยบททุกหลายคล้ายๆคือเขาว่านโมตัสสนี่เนี่ยแปลได้แทะหักอย่างบริสันตงเพราะว่าเขาแปลได้เด้นโมตัสก็ได้เพื่อนว่า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 มีส่วนแห้งบุญในแทกันทัดทำตามเธอนี่เขาบอกทำตามมีเจ้ากา ร, รปรารถนาอ้อนวอนอซื้ออย่างนโมตัสสนี่คือกันนโมตัสสนแล้วขอนกน้อมนกให้จังไดน้อมให้จังไดเขาบหูจักนโมตัสสนพระครวตโตอาลฮาโตสแปลผู้ไกจ่จากกิเลสไกจ่จากิเลสไ ก, ก, ก่กาจากอันใดเขาเลิกรากิเลสไหน ใ, นในด้เขาหูจักแล้วบอเขาเลิกได้แล้ ว, ว ถ้ า, าหาโบเลอรกับหาว่าวซื้ออันเว่าวซื้อนั้นเป็นว่าเราลอยคำพันคำหมื่นคำแสนคำโบมีประโยชน์สู้การกระทำครั้งเดียวไม่ได้เพนวานจาังตันการกระทำครั้งเดียวนั้นอาจจะมีประโยชน์กว่าเขาพูดร้อยคำแสนคำนั้นเพนวานจาังตันดังนั้นจึงว่าการพูดมือ น, นี้อาจจะหัดใจเป็นบางคน รู้ได้ขัดใจนั้นเสื่อการขัดแย้งในใจของตัวเองมีอยู่แล้วให้เขาเบิ้งลงไปถึงจิตใจพราพระพเจ้าแก้ไขปัญหาตัวเองมาหลายอย่างสิ่งที่ทำผิดบกกินเข้าเพิ่งก็ว่าทำผิดจนกินเข้านางสุดสดา น, นี่แหละแล้วจึงได้เอาคันเอาขาดอันนั้นะไปวางแม่นม้ำแปอธิษฐานตามดีแม่นม้ำ ถ้าข้าพระเจ้าจีได้ตัตสรูเป็นพระพุทธเจ้าข้าจิเลศตายขายกจีเรศหลุดเอาชนะทุกได้วางธาตุเล่ขันธ์ใบนี้ลงไปบนผิวน้ำนี้ให้ธาตุเล่ขันธ์ใบนี้ทวนกระแสของน้าขึ้นไปถึงต้นน้ําพุ้นาสันพนวานนะสมมุติว่าเขาอยู่เมืองเลยทับนขวดเนี่ยให้มันทวนขึ้นไปถึงภูหลวงพุ้นล่ะบนต้นน้าเลยได้มันอยู่ภูหลวงภูพนวานท่นถ้าหากจีเบศตัตสรู ยิบโได้เป็นพระพุทธเจ้าเอาสนะทุกบบได้สิวางลงไปแล้วมันไหลออกไปทางพุ่นละ่ะบ้านทาบิมีนาจารย์ออกไปหาตักเถืองลงไปน้ำโขงคุณวสัยเป็นวานอันนั้นมันเป็นคําพูดเมื่อพระพุทธเจ้าได้ที่ฐานแล้วขันก็เลยไหลขึ้นไปทางเหนือพระองค์ก็เลยข้ามจากแม่น้ำอันนั้นแต่บไม่ข้ามย่างตปที่มีนาม้าโบมีนากัาบบุหุจักละไปบําเพ็ญทางจิตสิ เมื่อไปบำเพ็ญดังจิตก็เลยได้จัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเฮาหูจักว่าจิตใจเฮาคิดมือนึ่งจักเถื่อเคยเบื้องจิตเบื้องใจเฮาบอกเดี๋ยวนี้นี่พระทรงองค์ในญาติโยมนั่งฟังหลวงพ่อเว้าอยู่นี่เป็นยังไดจิตใจเอาถามเลวเป็นยังไงจิตใจเดี๋ยวนี้นี่ครับจิตใจยี่งยิ่งซื่อครับเคสยังไงให้มันเดี๋ยวนี้นะมันเป็นยังซี่เ็นบอกนี่ลักษณะนี้แหละพนวะพุทธว่า ทั้งหลายคือเราจะทา้าทุจิตใจอันนี้มีคือกันว่าผิดกันอันจิตใจอยู่ซือ่อเนี่ยเตโตัชีวิตนั่นนะ่ะเขาเกิดมาเป็นคนถ้าหากว่าชีวิตเป็นทุกข์ซื่อว่าเขาในยามบุรุนสมบูรณ์ยามบุรุษเป็นคนเป็นค น, น, คนยุแคงขาหน้าตามือเท้าเป็นคนยุมีปัญญายุ้หักแก้ทุกข์บอดา ปัญญาเฮียนนังสื่อได้มากๆได้นักทรรมตีนักทรรมโคนักทรรมเอกจนได้มหาบัณฑิตประโยคเจ็ดประโยคแปดประโยคเก้าก็ตามถ้าแก้ปัญหาตัวเองแก้การขัดแย้งตัวเองบ่ได้อันนั้นกกินอย่างบทธรรมเน่นปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนวัน <c oughs> นี้เรียนทางโลกตั้งแต่ป .1 นึ่งถึงปหก เรียนจากป .6 ถึงมัธยม6หรือมัธยม8เขาไปเรียนในมหาวิทยาลัยได้ปริญญาต ร, ารีปริญญาโทปริญญาเอกถ้าอยังแก้การขัดแยง้งจิตใจตัวเองบอ่อใดข่มลู่อันนั้นดียุบบ่อมเม่นมีข่มลู่ปัญญาที่มาแก้การขัดแย้งตัวเองปัญญาอันนั้นบ่อเม่นปัญญาอันนี้การฟังเทศฟังธรรมคือกัน ฟังจากร้อยกันพันกันฟังเรื่องสะดกต่างๆก็ตามฟังแล้วจดจำได้เอาไปพูดไปสอนคนได้ถ้าหากยังมาแก้การขัดแย้งของจิตใจตัวเองอยังป้อยให้ตัวเองเป็นทุกข์อยู่อ น, นันตซืัอว่าฟังได้เจบริีปัญญาอันนี้ปัญญาอันนี้เป็นปัญญาที่น้อยๆแก้ปัญหาตัวเองได้มีเงินหลายๆจากร้อยล้านพันล้านก็ตาม มีปัญญาหาเงินจึงมีบบมีปัญญาหาเงินกระโบมีมีเงินจากร้อยล้านพันล้านหาหากยังมีความทุกข์แก้ปัญหา ก, การขัดแย้งในจิตใจของตัวเองบอดาอันมีเงินมีทองนั่งกะดีอยู่แล้วโบเซ็นโบดีแต่มันโบไม่ไาปัญญาอันนี้อันปัญญาอันนี้ควรศึกษาและควรปฏิบัติเรื่องอื่นๆเอาไว้หลังสก่อนถ้าหากเขาศึกษาหลักพระพุทธศาสานี้ หลักพระพุทธศาสนาจริงๆนะเพราะซีวิตนี่ซือบ่อใดขายบ่อใดบ่มีประเทศใดบ่มีบ้านใดมีห้างร้านบริษัทขายซีวิตขนบ่มีเลยเอ้าสมมติมีผู้นึ้เอาเงินมาให้จากมื่นลานแล้วจะเอาไปค้าเดี๋ยวนี้เอาบ่าบ่เอาเป็นอยังบ่เอาเงินมื่นลานนั่นดีิ่งเน่คนจึงว่าบ่าต้องการความทุก เร่องบต้องการข่มตายแล้วเขาเป็นอย่างว่าโบอยากศึกษาเรื่องชีวิตเป็นอย่างเขายังไปศึกษาเรื่องอื่นก่อนบอกว่าคนนั้นคนนี้ตัวของหลวงพ่อเองก็คือกันไปศึกษาเรื่องทำนาทําสวนเรื่องเฮ็ให้เฮ็ดนาหาเงินหาทองปลุกบ้านแปลงเหินไปศึกษาเรื่องนันสะกอนเรื่องชีวิตจริงๆแล้วโบเคยศึกษาจนเมื่อกระทั่งอายุสี่สิบกว่าปีพี่ยังมารู้จักเรื่องชีวิต ชีวิตนี้ซื้อบอ่อได้ขายบอ่อได้บุควรให้ชีวิตเป็นทุกข์อันควมทุกข์และบนเส้นชีวิตเป็นทุกข์เน๊ะโตจิตโตใจพุ่นให้เป็นทุกข์อะ ใ, ใจเองอยังต้ไปเข้าใจว่าเป็นนําตาเป็นนําหูเป็นนําจมูกลี้นงกายมูนีบอ่อแมนใจพุน่นตาเห็นซื้อใจมันว่าทุกข์บนเส้นตาว่าทุกข์ใจเองว่าทุกข์ตาเห็นซื้อใจพุน่นว่ามันโบทุกข์ ใจพุ่นเหมือนวาเองหูฟังเสียงซึ้ซื้งว่ามวลใจวาเองหูฟังเสียงว่ามันบ่มวลใจวายเองคือว่าศึกษาเรื่องจิตใจเรื่องจิตใจเป็นเรื่องสำคัญทุกคนมีจิตมีใจคนไทยก็มีจิตมีใจคนจีนก็มีจิตมีใจคนไทยก็ทุกเป็นคนจีนก็ทุกเป็นคนไทยก็ห้องให้เป็นหัวเลาะเป็นคนจีนก็มีห้องให้หัวเราะเป็น คนฝรั่งเศสคนอังกฤษให้ว่าทุกศาสทุกภาษาทุกเพศทุ ก, ทกวัยมีหัวเลาะมีรองให้แล้วเฮากลูงหักใกดีวะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นคำสอนบุคคลที่ผู้มีปัญญาเอาไปใส่กับชีวิตที่หลวงพ่อว่าให้ฟังนี้โบ๊ได้ห้ามต้องเลือกเอาเลือกคัดจัดหาเอาให้มันได้หาครูบาอาจารย์ผู้ที่มีขมูสอนเฮาจริงๆ เพราะว่าเมืองไทยมีหลายคนสอนกรรมาฐานสอนบูคือกันที่ว่าให้ฟังมาแล้วมีการสอนเรื่องให้ฐานก็สอนบูคือกันเขาเคยได้ยินได้ฟังว่าสินสินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดสินสามรอยเขาเคยได้ยินได้ฟังรักษามาแล้วแก้ปัญหาตัวเองได้บแก้ทุกได้บอขังแก้บวทุกแก้ปัญหาตัวเองบวได แกทุกบอดาอันนั้นก็จะเป็นเพียงสังคมซื่ อ, อเพื่อนยังสอนให้รู้จักสังคมสังคมโลกเนี่ยให้รู้จักเขาเหตอย่างไดเขาจะยู่งกับเขาได้แต่จิตใจของเขาให้มันเหนื่อไปจากสังคมอันนี้เพื่นว่าศินเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอยา่างหนักเขารักษาสินมารักษาอุโบสถศิลสินแปดรักษาสินห้ารักษาสินสิบรักษาสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดรักษาสินสามร้อย แล้วเขาเศร้าบอกิเลสยังไงมันเศร้า อ, อันนั้นซื่อว่าเป็นเพียงสินสังคมเท่านั้นถ้าหากสินเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่งางหาากได้จริงนั่นถ้าหากเขามีสินแล้วโทสะโมหะโลภะกิเลสตัณหาอุปาทานนี่ต้องลดน้อยไปโลดถ้าหากว่าโทสะโมหะโลภะ กิเลสตัณหาอุปทานนี้ยังบนรถน้อยไปกับเสื่อว่าเหายัางเห็ุอยู่กับสังคมยังบนแห่งรักษาสิ่งแท้สมาธิเป็นเครื่องกําจัดกิเลสย่างกลางมันะอันกิเลสย่างกลางนี่หมายถึงอันใดเขาจีบูหุจักคือว่าน้โมตสานัา่นแหละเขาจีบูหจักปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสย่างละเอียดเออสันปัญญากําจัดกิเลสกิเลสย่างละเอียดนะี่เป็นยังไงเขาจีบูหุจักเจ่า นโมตัสสะพระคัวภโตเปโวหอนบน้อมมาจนพระผู้มีพาคเจ้าพระองค์นั้นนบผู้อื่นพุ่นเมื่อเฮาโบลูจริงแล้วเฮาจิบวได้เขารบตัวเฮาผู้ครองจริงผมรู้จักธรรมะตอนเสาแต่ก้อนผมสูบบุรีเคยว่าให้หมฟังเคยได้ยินว่าผมว่าอย่างไรครับเคยได้ยินเพาะว่าผมเลิกได้ตั้งแต่มือนั้น สิ่งที่ซัวสิ่งที่สุกปรกนั้นผมเลิกได้เพราะผมว่าผมรู้จริงตามแบบพระพุทธเจ้าอย่างที่เขาสวดโยจักขุมาเขาไปทําบุญบ้านพระทุกองค์ทําบุญบ้านทุกครั้งต้องสวดโยจักขุมมาลบเดียวเป็นภาษาบาลีเขาบบลูจักขเขาไปจดจํำใช้ภาษาบาลีควรมี่เป็นภาษาไทยไปแทรกเขาบ้ได้อมาใส่โยจักขุมาโม О หามาลาปกะโท ท่านพระองค์ใดเออนั้นมีพระปัญญาจับตุขจัดมณฑินคือโมหะเสียแล้วเออนั้นโมหะแปรี้ยวขมหลงโมหะเปรี้ยวขมหลงเน๊ถ้าหากเขายังหลงอยู่มีโอกาสมีเวลาจิตซอกได้ถ้าหากว่าลืมแล้วบ่มีโอกาสบ่มีเวลาจิตซอกได้เป็นว่าผู้ใดเออนั้น ตัดสูตามพระพุทธเจ้ามีทิฏฐิและความเห็นเสมอกันกับพระพุทธเจ้าพระสาวกทุกองคโบลูหลายลูน้อ ย, อยมีทิฏฐิมีความเห็นคือกันกับพระพุทธเจ้ามีความโบทุกขเท่ากันกับพระพุทธเจ้าดังนั้นญาติโยมก็เปลี่ยนใดเป็นอย่างที่อย่างพวานี่พระทรงองค์เจ้าก็เปลี่ยนในศึกษาธรรมะจึงศึกษาข้อเดียวเท่านี้และเป็นพระเป็นอย่างโกดเป็นยูเนี่ ด่ากันเนี่ยบางคนฮอตค้ากันก็มีได้พระนี่กงญาติตำแหนง่งญาตินาทีกันญาติกันเป็นเจ้าคณะตำบลเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยญาติโยมก็คือการญาตาแิแยงกันแล้วเฮาละได้บอกมีการอิสระลิษยาเบียดเบียนกันอย่างสันอยู่อันนั้นตุว่าเฮาศึกษาหลักพระพุทธศาสนาอย่างบบถูกแต่เฮาศึกษาหลักศาสนาศาสนาจึงมีหลายศาสนามีศาสนาพราหม ศาสนาผีศาสนาเทวดาศาสนาเลือกงามยามดีอันนั้นบเมนพุทธศาสนามันมีมาก้อนพระพุทธเจ้าอันนึ้งเฮาเฮ็ดแล้วมันแก้ปัญหาตัวเองบ่ได้เมื่อคนใดศึกษาธรรมะรู้แจ้งเห็นจริงคือย่างที่ฮาวาผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้านนมีศีลและทิฏฐิเสมอกัน ตันเตสัสเตสญญหุนตุเอาสนะ ท, ท, ท, ทุกได้เอาสนะทุกไดหุนวาด้วยเดชพระพุทธเจ้าเอาสนะทุกไดแท้แท้แต่เดี๋ยวนี้หอบโบได้เหตุอย่างนั้นนีแต่ห่าวาวซื่อซื่อโบได้ปฏิบัติตามแบบพระพุทธเจ้าเยียงว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอาสมมุติให้ฟังง่ายๆเอากินปา่าถ้าไปกินก้างกี่ว่าเอาเป็นคนสลาดบอก ก้างมันติดคอได้เหมนี้ถ้าไปกินเนื้อไปย้ำกระดูกมันกระดูกมันตักคอเขาที่ว่าเขาเป็นคนสลัดโบสลาะถ้าเป็นคนสลาดกินป่าก็หากินตั้งแต่บทบ่มีก้างกินแต่เนื้อมันนั้นถ้ากินเนื้อกับพกินกระดูกกินแต่เนื้อมันเลยซื้อก้างเอาไว้ให้ไผ่กินบ้านอย่าพออันนี้กระดูกเอาไว้ไปจิตเอาให้ตัวแมวตัวหมาแมวกับหมามันกินก้างกินกระดูก คนเฮาจีเหตจังสั้นบอกถ้าเป็นคนจริงๆก็ต้องศึกษากให้รู้จักจริงๆแก้ปัญหาตัวเองให้มันได้พันวาจยงสัน้นเรื่องนี้มีความเปรียบเทียบให้เขาฟังหลายอย่างเรื่องศาสนาเนี่ยสมมุติเขาทํานาเขาต้องออเอาข้าเปลือกไปว่านลงไปเป็นขา้าวกล้าเมื่อเป็นข้าวกล้ามาแล้วก็ถอนกล้าออกไปดำนาดำออกมาแล้วเนี่ย เป็นต้นเป็นหลังมาเป็นห่วงเข้าโค้งออกมาเป็นเข้าวรีบเมื่อนานๆเข้ามาเข้าก็ะตือเข้ามาตื้งเข้ามาแก้เข้ามาก็ไปตัดไปเกี่ยวออกมาไปฟาดไปตีเอามาไว้บ้านไว้เือนเขากินเข้าเปลือกเป็นบอสกินบอสเป็นเอาเข้าเปลือกทิ้งซะบ่เนี่ยปีหน้าบุมีเสื้อบุมีแนวเนี่ยจาเป็นเข้าสารมาจากข้าเปลือกเมื่อมีเข้าเปลือกก็ต้องมีเข้าสาร จำเป็นข้าวสุกต้องมาจากข้าวสารเมื่อมีข้าวสา่งก็ต้องมีข้าวสุกเพลินวาน่านั้นกินข้าวเปลือกบโบได้กินข้าวสารบโบได้กิน ข, ข้าวสุกดังนั้นการทําบุญคือการต้องรู้จากบุญถ้าหากไม่รู้จากบุญแล้วจะเอาบุญโบได้บุญมันเป็นซื้อของคนโบมีทุก ซ, ซื้อนี่เลยโบมเมซี่มีจนมีโตอย่างไรที่ว่าให้ฟังนี่คนใดโบมีทุก ข, ขออกขาเรียกว่าคนไม่มีบุญเขาเคยเห็นเคยได้ยินว่า คนใดนั่งสบายอยู่นั่งอยู่กับลูกกับหลานถ้าเป็นผู้เท้าผู้แก่ถ้าเป็นคนนุ่มคนสาว ก, ก็ น, นั่งสบายอยู่ว่าโอ้ยเกิด เ, เ, เ, เ, เป็นเศร้าสบายเนาะบุญเศร้าแนาะคาว่าเปลี่ยนนะว่าบุญเศร้าเนี่ยคันผู้ใดมีความเดือดร้อนสับสวนวุ่นวายทุกข์อีตานี่เกิดเป็นทุกเนาะคือสัตว์นรกเนาะแนาะคาว่าเป็นแต่หาบูรูจกักเป็นที่เพียงเล่าเป็นกับนโมทัสสานี่คือกันแต่หาบูรูจกัก นาโมตตะนาจึงมแปลว่าขอนบน้อมแดพระผู้พิพาคเจ้าพระองค์นะนบโตเฮาคุณดีความงามของในเฮานี่มีมัดทุกอย่างคือพระพุทธเจ้าวานั้นมีหมดแล้วแต่เฮาจิแสวงหาเอามาใส้กับชีวิตเฮาบอหรือเฮาจิโบสแสวงหาจิโบเอามาใส้กับชีวิตเฮาถ้าเฮาโบแสวงหาโบเอามาใส้กับชีวิตเฮากะโบติยังแตกว่าหักทุก ความทุกข์นั้นคือว่าโบได้มีอยู่ในตัวเฮาเฮาลงจิตลงใจเฮาซือ้อลืมจิตลืมใจเฮาซือ้อลงชีวิตเฮาซือ้อหรือลืมชีวิตเฮาซือ้อเมื่อเฮาโบาลงชีวิตโบลงจิตโบลงใจเฮาเมื่อเฮาโบาลืมชีวิตโบลืมจิตโบลืมใจเฮาแล้วความทุกข์โบมีกิเลสพันห้าตันหาลอยแปดเกิดขึ้นที่นี้เกิดขึ้นในอดีต ห้าอยกิเลสพันห้าเกิดขึ้นอนาคตห้าอยปัจจุบันฟังเฉพาะว่าวโยนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นห้า3อยสามห้า่งเป็นพันห้าตันห้าร้อยแปดนี้เกิดขึ้นในบนเดียวกันนี้เกิดขึ้นจากอดีตสามสิบหกเกิดขึ้นอนาคตสามสิบหก กำลังฟังเนี่ยพอว่าอยู่เดี๋ยวนี้นี่จิตใจมันคิดไปร้อยอันทันยางเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้สามสิบหกสามสามเก้ามันเนี่ยเก้าสี่สามหกสิบแปดเป็นว่าเป็นเอิ้นตันหารอยแปดเกิดขึ้นเท่านี้คนเราเมื่อไม่รู้จักปัจจุบันแล้วซื่อว่าอดีตอนาคตนั้นแก้ปัญหาตัวเองบ่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าสอนเฮา ให้เฮารู้อยู่กับปัจจุบันนี้การเคลื่อนการไหวการไปการมาการนึกการคิดทุกสิ่งทุกอย่างให้เฮารู้สึกตัวแต่คนสมัยนี้บางคนเข้าใจว่าถ้าหากไปปฏิบัติธรรมะแล้วโบได้เหตุให้โบได้เหตุนาโบได้ซื้อโบได้ aya, ขายปฏิบัติโบได้เนี่อันนั้นเป็นการเข้าใจถูกน้อยความจริงและปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติไปกับการกับนาน บอให้ชีวิตเป็นทุกนี่ที่ซื้อนี่ได้ถ้าหากชีวิตว่าเป็นทุกซื้อว่าเขาปฏิบัติธรรมะถูกต้องธรรมะนั่นอยากเข้าใจว่าเป็นสีเป็นแสงหรือจีมาสวมเอาตัวเขาเดบอเมนธรรมะคือตัวทุกคนนั่นแหละผู้หญิงก็เป็นธรรมะผู้ชายก็เป็นธรรมะพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นธรรมะทำดีเนี่ยเขาเอื้นธรรมะทำซัวเขาเอื้นอาธรรมเป็นว่ากั อันทำโบดีโบซัวนั่นเป็นอย่างไรเนี e ่คือเฮาเฮ็ดซื่อซือเฮ็ดตามหน้าที่เป็นตํารวจก็ต้องทําหน้าที่ตำรวจเป็นทหารก็ต้องทําหน้าที่ทหารเป็นครูโรงเรียนก็ต้องทําหน้าที่โรงเรียนเป็นพ่อบ้านแม่เฮือนก็ต้องทําหน้าที่ของพอบ้านแม่เฮือนเป็นภพระสงองค์เจ้าก็ต้องทําหน้าที่ของพระสงองค์เจ้าถ้าทำหน้าที่ไปแล้วซื่อว่าโบปฏิบัติตรง ผิดกับสังฆคุณว่าสุาปฏิปัโนภะวะโตสาวกสังโคส่งสาวกของพระภิกษุภาคเจ้านั้นหมูดปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติดีก็ต้องปฏิบัติถูกหน้าที่ทีอุจุ <โ frustrating. S 2> ปฏิปัโนภ ะ, ะวะโตสาวกสังคโคส่งสาวกของพระภิกษุภาคเจ้านั้นหมูดปฏิบัติตรงแล้วตรงต่อตัวเองตรงต่อหน้าที่ตรงต่อการตรงงาน Amsterdam จึงเป็นปฏิบัติตรง ยายญปฏิปัิโนพระคัมภโตสาวก ส, สังโฆสงสาวกของพระวิพากเจ้า น, านั้นโมไดปฏิบัติเพื่อเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์เลยรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมออกจากทุกใดทุกบ่กนได้เลยขันขี้เกียจขี้คานกับทุกข์แล้วบ่ได้ปฏิบัติสามนาทีได้นั่นนละยมันเป็นอนย่างนั้นเลียงว่าให้เข้าใจจริงๆฟังเทศฟังธรรม วังมาหลายสิปีถ้าหากโบเกิดปัญญาก็เปลี่ยนแปลงได้ไปดูหนังดูละคอดูยังก็ตามสร้างดูมาหลายสิปีถ้าหากยังโบเกิดปัญญาแก้ไขปัญหาตัวเองบะไรก็เลิกได้เปลี่ยนแปลงได้แก้ไขได้การกระทําทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าเพิ่นเปลี่ยนแปลงเพิ่นแก้ไขได้เขาเป็นอย่างที่บอเปลี่ยนแปลงที่บอแก้ไขได้เพราะอย่างเพราะเขาบอกเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้น ครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามสอนทุกคนเรื่องศาสนานี่ยสอนให้คนละซัวทําดีเท่านั้นแต่พระพุทธเจ้าสอนให้คนเอาสวรรค์เอานิพ v a n มาใส่กับชีวิตจิ้ว่าเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสมบัติของมนุษย์มนุษย์สมบัติเนี่สวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเป็นวันเป็นสมบัติของมนุษย์บไม่เป็นสมบัติของคนทานเลยเป็นสมบัติของผู้เลือนสัน ทางปัญญาเลื่อนสั้นทางจิตใจให้จิตใจมีปัญญาให้จิตใจพองใสว่องไหวย่างจิตใจของพระพุทธเจ้าเขาเคยว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจพองใสจิตใจว่องไหวสามารถตัดสินลงไปแล้วไม่พ่าดผิดคือจิตใจของพระพุทธเจ้าแล้วเฮาก็มีคือกันกับพระพุทธเจ้าแต่เฮาบ่ได้เห็นอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ย ถามเมื่อกี้ก็ถามด้วยจนยังไดเดี๋ยวนี้จิตใจทุกคนเอว่าองอ่บสบายมีทุกคนไม่จิตใจสบายจิแใจสบายก็ะเพาว่าจิตใจสว่างไ่มบ่ครับจิตใจสะอาดบรสกปกระเพาะนบ่ถ้าจิตใจคุ้นมือกระเพาว่าจิตใจสกปรกเนี่ยมีมืดทุกคนจึงว่าเขาบ้ได้ปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้าเขาไปเว้าซื่อๆยิ่งว่าควรศึกษาและควรปฏิบัติ ให้เหาลู่แจ้งเห็นจริงลู่ตามเห็นตามจึงว่าเป็นสาวกของพระริเจ้าวิธีที่ปฏิบัตินั้นที่นํามาเล่าให้ฟังมือนี้บ่ยากถ้าหากทําจริงๆแนละ้วเอาในตําราบอกว่าเจ็ดปีแต่การทําวิธีนี้เอาให้เวลาย่างนานสามปีแต่ตําราบอกว่าเจ็ดปีแต่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อกล้ารับรองว่าให้ทําติดต่อกันสามปีย่างนาน ย่างกลางให้เวลาปีหนึ่งย่างไวที่สุดให้ระยะเวลาสามเดือนเก้าสิบมือเนี่ยระยะพรรษานี่ถ้าทรงองค์เจ้าเห่ามาอยู่ในพรนศานี้ก็คงจะรู้ไม่มากก็ น, น้อยเพราะว่าการงานมีมากญาติโยมก็เช่นเดียวกันมาอยู่ที่นี่มาปฏิบัติธรรมที่นี่แต่บ่มากก็ น, น้อยระยะสามเดือนคงจะรู้เป็นว่าถ้าทำของพระศาสดา สวางเปรียบดวงประฏิปต้องรู้แน่ๆพระพุทธเจ้าพึนสอนไว้แล้วพระธรรมวิ น, ยนัยของเราตถาคตยังมีอยู่ถ้าหากมีผู้ประพฤติดีปฏิบัติสอบตามพระธรรมวินัยอยู่นั้นมรรคผลนิพพานก็จะไม่ว่างจากโลกนี้เนี่ยโบว่างจากโลกนี้โบไม่โลกดินฟ้าอากาศเด็โลกเฮานี่เด็และภิกษุ พิสูจนีอุบาสกอุบาสิกาอยู่โดยชอบว่าจันพระอรหันต์ก็จะไม่ว่างจากโลกนี้ในคนว่าจันทร์นี่เป็นคําตัดคําเตือนของพระพุทธเจ้าแต่เข้าบอกเข้าใจนว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อที่สุดท้ายเขาจีได้เลิกแยบยายกันออกไปตามหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าคุณสอนออกวันนันว่าไปทางใดให้สอนเท่าที่เรามีขมรูซ่อน ที่เหาลูมานั่นอ่ะให้ญาติโยมในลูให้ญาติโยมในเข้าใจญาติโยมนั้น บ, มบม่มีโอกาสบ่มีเวลามีโอกาสมีเวลาน้อยที่มายูย่างเหาหนี่เพราะมีการมีงานทำนาทำสวนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่กับบ้านกับเงอนให้ข้เจ้าได้ลูเอาไปใส้กับลูกกับหลานกับบ้านกับเงินแล้วข้เจ้ากับจิมสบายสวรรค์นิพพานอยู่ในเห่าหนีแ่แหละคุณว่าสวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจพระนิพพานก็อยู่ที่ใจสวรรค์คือตาเห็นอันดีหูฟังอันม่วนเป็นเอื้อมเมืองสวรรค์นรกว่าเนี่ยตาเบิงอันซั่วซหูฟังอันเสียงโบดีนั้นเป็นว่าเป็นนรกนิพพานนั่นคือจิตใจเป็นปกติโบดีใจโบเสียใจฟังแล้วทิ้งไปฟังแล้วทิ้งไปบ่ให้มันได้ปรุงได้แต่งเป็นว่าเป็นนิพพานน้อย นิพพานนั้นจริงว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจพ้องใสจิตใจว่องไวสามารถที่จะแก้ปัญหาตัวเองแก้ปัญหาการขัดแย้งเกิดขึ้นในตัวเองบมไม่ไปแก้ปัญหาคนอื่นบมไม่ไปเอาชนะคนอื่นเพื่นว่าการเอาชนะคนอื่นลอยคลังพันหุนไม่มีประโยชน์ไม่มีอเนกทรงอะไดเลยเพื่นว่า สู้เอาสนะตนข้างเดียไม่ได้คนเอื้อนนะมีมนตรบมีมนเพื่อนภิสุตมเนรทุกทุกพงครับตั้งใจฟังแล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกทุกคนตั้งใจฟังวันนี้เป็นวันพุธที่เจ็ดขึ้น 15ห้าคำเดือนสิบเอ็ดนีว่าวันนี้เป็นวันปวนารณาเนีว่าเราเข้าพรรษามาเป็นระยะเวลา3าเดือนเก้าสิบวันทุกคนที่เข้าพรรษาต้องทำธุระหน้าที่ของตัวเองเนียว่าคันธาธุระและวิปัสนาธุระคันธาธุระคือการศึกษาเราเรียน ให้รู้ให้เข้าใจเรียกว่าคันธาธรุระวิปัสนาธุระคือลงมือประพฤติปฏิบัติทําให้รู้แจ้งเห็นจริงตามขวอมเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นั้นเรียกว่าเป็นวิปัสนาธุระวิปัสนานั้นมันเป็นซื่อของปัญญาตัวปัญญานั่นแหละคือวิปัสนาวิปัสนาจึงว่ารู้แจ้งรู้จริง รู้แล้วตางเก่าลวงภาวะเดิมรู้แจ้งรู้อันใดกันเป็มนรู้นอกตัวเรารู้ตัวเราเข้าใจตัวเรานี่ว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้ของจริงของจริงคือตัวเราตัวเราทุกคนมีตาหูจมูกลีนกายใจมีหมทุกคนผู้หญิงก็มีคือกันผู้ชายก็มีคือกัน ถ้าส่งองค์เลนก็มีคือการผู้น้อยผู้ใหญ่มีกันเมิดคนไทยก็มีเช่นนั้นคนจีนก็มีเช่นนั้นคนฝรั่งเศสคนอังกฤ ษ, ค น, กฤษคนอเมริกาคนคาเมนคนยวนคนลาวมีเหมือนกันเมื่โบผิดกันถูกว่าพุทธศาสนานี้รู้แล้วสงวนลิขิตบอให้คนอื่นรู้นะบอด จีวะรู้แล้วทำลายเสียให้มันหมดไปเสียกระบดาดเยี่ยมันไม่ใช่เป็นของใครเป็นของเฉพาะบุคคลผู้ที่รู้ผู้ที่เข้าใจดังนั้นจิว่าตั้งใจฟังการฟังฟังดีได้ปัญญาเกิดปัญญาฟังไม่ดีไม่ได้ปัญญาไม่เกิดปัญญาการฟังเทศฟังธรรมพอตาม ฟังแคนฟังลำก็ตามฟังอันไดก็ตามฟังมาหลายสิบปีถ้าโบเกิดตปัญญาแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้การฟังนั้นดีอยู่แล้วแต่ยังไม่ทันถูกต้องดังนั้นการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการทำกรรมาฐานก็ดีถ้าหากโบเกิดตปัญญาแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็ยังบม่ถูกต้อง เพราะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องปัญญาให้คนรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเพราะเราทำถูกต้องจึงเกิดปัญญาทำแล้วว่าเกิดปัญญาโบาได้ผลไปดูแทงมาแทงเหลือดูยังกะทมสร้างดูมหโหระสบครบงานก็ตาม ดูสร้างโบสสร้างสิมสร้างกุฏิวิหารดูสร้างพระพุทธรูปดูแล้วถ้าหากไม่เกิดปัญญาแก้ปัญหาตัวเองมาได้อันนั้นการซือว่ายังไมัถถูกต้องที่พูดให้ฟังนี่บางคนอาจจะหัดใจว่าเอ๊ะทำไมพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ต้องเป็นการทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าอาจจะเข้าใจอย่างนั้นบอแมนอันนี้แหละพูดความจริงสู้กันฟัง พระพเจ้าสอนคนงโง่ให้สลาดขึ้นมาสอนคนที่กำลังทำผิดให้กลับขึ้นมาทำให้ถูกต้องสอนคนที่กำลังมีทุกข์อยู่นั่นแหละให้ทุกข์นั้นลดน้อยไปหรือหมดไปจึงเป็นการแก้ปัญหาตัวเองได้ถ้าหากฟังเทศฟังธรรมฟังมโหสบครบงานก็ตาม ฟังนนตีฟังยังก็สร้างฟังแล้วเกิดขัดแยงขึ้นในตัวเห่าแก้ปัญหาตัวเห่าบอได้ก็บบมีประโยชน์เท่าที่ควรการฟังเทศฟังธรรมบ้ยเฉพาะใจเห่าฟังมาเนี่ยพ่อเหาเคยฟังเทศมาแม่เหาเคยฟังเทศมาฟังพระเทศมาตัวเองเคยเทศให้มู่ฟังกับปานันและไปฟังผู้อื่นเทศกับปานันนี่ ได้ซองพันห้าร้อยสามสิบปีมาแล้วเขาฟังเทศฟังธรรมมาเนี่ยแล้วยังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้อันนั้นก็ซื้อฟังดีแล้วแต่อย่าบบเกิดปัญญาบูตะมันบดูดีได้มันดีแต่มันโบเกิดปัญญาแก้ปัญหาบูได้ก็ซื้อว่าอย่า ง, งโง่อยู่การดูคือการบันเนี่ยดูหนังดูละครดูแข้งมากแข้งเหลือดูเขาให้ว่าดูอย่างก็ตามให้ว่าเดีไป เห็นด้วยตาเขาเนี่ยแล้วหอยังโบเกิดปัญญาแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็ดูเสียเวลาเสียประโยชน์การฟังเทศฟังธรรมก็เสียเวลาเสียประโยชน์ฟังเทศฟังธรรมดูยังก็ตามฟังแล้วต้องคิดต้องพิจารณาให้เกิดปัญญาแก้ปัญหาตัวเองได้พุทธศาสนานี้เป็นศาสนาปัญญา โบมีศาสนาเสื้อโลทันทีโบมศีศรัทธนเขาเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วคนฟังและบเกิดปัญญาฟังมาตั้งหลายครั้งหลายหนบเกิดปัญญาบบมีประโยชน์ไัยเฮ็ดมาแต่ก่อนเขาซิว่ากันซื้อคืออาจารย์สนใสสอนสมัยนั้นยังบวทันได้บวชมคลาสานิดุบร ไปศึกษายืะกว่าอาจารย์สนใสเป็นระยะเวลา4ี่ปีหรือห้าปีพุ่นอะผูกกระโบ้หุจากคักปันไดพ่อแม่คุบาอาจารย์น้อยฟังฟังเทศฟังธรรมอาจารย์สนใสสอนเป็นระยะ4ี่ปีห้าปีบกเกิดปัญญาแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็ซื้อวัตุวิประโยชน์ไปยืะกว่าอาจารย์สนใสไปดูหนังดูละครดูมหโหระทพบงาน เป็นระยะเวลาหลายปีคือกันดูแล้วก็บวกเกิดปัญญาเมื่อไม่เกิดปัญญาก็สวนกันสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนที่รักกันเอเฮามายุ่กับอาจารย์นี้เป็นระยะเวลาหลายปีแล้วศึกษากับครูบาอาจารย์นี่ก็หลายปีแล้วบว่เห็นมันเกิดปัญญาแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เลยพากันส่วนกันหนีอาจารย์องคง์ไม่คงจะมีดีกว่า น, นี้คงจะมีว่าะท่าน ก็เลยหนีหนีลา จ, จ้าอาจารย์ไปสองคนนั่นก็เลยมีคํามั่นสัญญาต่อกันเอาไว้ว่าถ้าหากผู้ใดพบเห็นครูบาอาจารย์ที่ดีที่สอนถูกสอนตรงนั้นให้เกิดปัญญานั้นอย่าลืมกันเน้อสผู้ใดพบให้ได้บอกกันเนื้อตั้งคนตั้งแยกกันไปสานนีบุตรในคราวนั้นยังไม่ได้เป็นพระ ไปพบกับอาจารย์เสื้อพระอาาสัสสชิเดินออกมาบินทบาตเห็นหน้าเลื่อมใสก็เลยถามถามพระอาาสัสสชิเออบทเนได้ถามเดี่โดยตามไปบินทบาตยไปบินทบาทพอดีพระอัสสชิไปบินทบา ท, ดาา ไ, บ ท, บาทได้อาหารมาพอสัตว์นก็เลยมาสัตว์พอดีพระอาาสัสสชิสั่น์ดู สันีบุตรนี่ยามวันแทนได้บวชถือก็เลยเบิ่งการขบการสั่นหน้าเลื่อมใสการนั่งการสั่นหน้าเลื่อมใสก็เลยเบิ่งกิริยาท่าทางพอได้สัน่นเสร็จแล้วก็เข้าถามถามพระสัชสิพระสัชสิก็เลยตอบว่าเราเป็นผู้บวชใหม่โบหูสันีบุตรนี่ก็เลยบอกว่าโบต้องเว้าหลายขบมันเรียนมาม า, มากแล้วอะสิ พูดตังหัวข้อให้ฟังก็ได้อเออถ้าพูดอย่างนั้นแท้ได้พอบวดใหม่บทฮันรุจักไหเนี่ยไดเป็นภาษาบาลีเพิ่ว่ากันแต่คนอินเดียพูดฮันรุจักเรื่องกันว่าเยธรรมมาเหตุตุปภ า, าเตสังเหตุรงตถาคตเตสัจญโิโลโทจะเอวังวาทีมหาสมโนพระพระเจ้าสอดยังสีว่าทมทั้งหลาย มีเฮตเป็นแดนเกิดคันว่าภาษาบ้านเฮาว่าเท่านั้นเข้าใจได้ดวงสายเหตุธรรมเป็นพระโสดาบันเนี่ยเว่าการฟังเทศฟังธรรมฟังมาหลายร้อยปีกระามสร้างถ้าหากบกเกิดปัญญาซื่อว่าเฮาฟังอย่างบบรันถุกหรือเฮาอย่างเข้าใจผิดอยู่ไปดูมหาหอและสพครบงานดูอย่างกตามำสร้างฟังอย่างกระาม ถ้าหากยังโบกเกิดปัญญาซื่อว่าเหาอย่างบทันเข้าใจเถิอพระอาสา ส, สิเดินออกมาสรีบุตรดูเบิงเข้าใจท่าทีลดเข้าใจลดฟังเข้าใจลดแก้ปัญหาตัวเองได้อันนี้จะฟังแล้วให้เกิดปัญญาฟังแล้วบบเกิดปัญญากับซื่อว่าเห่าบทันถูกต้องฟังแล้วเสื้อโลดทันทีกับบอดาอีกตืมฟังแล้วโบเสื้อกับบอดาอีกตืม ต้องมามีเหตุดีผลจะว่ธธาพุทธศาสนานีซสอนเรื่องปัญญาสอนเหุสอนคนบมมีที่สอนแล้วให้เสื้อลดเดี๋ยวนี้พระทรงองค์เจ้าสอนกันหลายองค์สอนให้เสือ้อตัวของผมเองเคยเสื้อมาแล้วครูบาอาจารย์เทศตั้งสอนมากับเสื้อฝัง่งก็ะดีอั น, นันกระดั บ, บดุตรไบุตีที่มานิยา่าโยมาจานวนหลายคน หลายบ้านหลายเมืองหลายอำเภอหลายจังหวัดมานี่มาฟังเทศการฟังการดูครูบาอาจารย์ต้องฟังต้องดูแต่บริสิกปฏิเสธถ้าดูบบเปียนกับบอดีเลียงฟังแล้วเสื้อโลดองคุลิมาโจนฟังครูบาอาจารย์ ว่าลราเสื้อโลดฆ่าคนไปเนี่ยเสือว่าฟังผิดอันนั้นอาจารย์สอนผิดยังว่าการเสือถือครูบาอาจารย์ก็ต้องให้เลือกเขาเขาเป็นคนต้องเลือกไดเลือกเฟนใดเขาต้องหูจักฟังแล้วโบเสือแบบ น, นี่ยยังมีปูประสกเออมีพระองค์หนึ่งเสือว่าพระ สุภทาปริภาโกบุลภะย่างไดยกหอกจับบุกเได้ดีพระพุทธเจ้าตัดสลุออกมาไม้ไม้บทันได้แสดงทําให้ไผศฟังจักคนพระองค์นี้ก็สแสวงหาโมกขธรรมแสวงหาทางตัดสรุเสวงหาทางพ้นทุกว่าง่ายๆเรียกว่าเ ส, สวงหามรรคผลิพานเมื่อไปพบกับพระพุทธเจ้าก็ถามพระพุทธเจ้าหน้าเลื่อมใสท่านยูติสำนักไหน เป็นลูกศิษย์ของใครครูบาอาจารย์ของท่านสอนอะไรพระพุทธเจ้าก็บอกตรงๆว่าโบได้ไปอยู่สำนักใดโบได้เป็นลูกศิษย์ของใครโบมีใครเป็นครูเป็นอาจารย์รู้เองเห็นเองเข้าใจเองอุปการศิกคโุงกระบฏเสือกก็เลยโบได้รับธรรมมาอันนี้ก็คือการที่ว่าฟังแล้วเสื้อทันทีกับโบได้ฟังแล้วโบเสื้อกับโบได้เนี่นยเพื่นว่า ฟังแล้วให้เกิดปัญญาซึ่งที่เกิดปัญญาตัวย่างย่างที่ว่านี่แหละคือว่าย่างสลีบุตรเนี่ยฟังพระอาาัศศีเทศน้อยๆเข้าใจลดแก้ปัญหาตัวเองได้อันนี้เราฟังถูกต้องยานั้นการฟังเทศฟังธรรมการศึกษาเราเรียนถ้าหากบ่เกิดปัญญาแล้วก็ซื่อว่าเขายัางแก้ปัญหาตัวเองบ่ได้ดีแล้ว ทุกคนมานี่ได้ให้ฐานได้รักษาศีลได้ทกากรรมฐานได้ฟังเทศฟังธรรมมามากแล้วแก้ปัญหาตัวเองได้บอหากแก้ปัญหาตัวเองบอได้ก็ต้องพยายามแก้ไขการฟังอ น, นันต์เพราะว่าพุทธศาสนานี่ล่วงมาได้แล้วสองพันห้ารอยสามสิบปีปีนี้แล้ว เขาฟังมาตั้งแต่พอ่อแต่แม่ตั้งแต่ปู่ตายาทวดพ้นมาฟังมาเพิ่นว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนี้ขั้งแรกที่สุดแสดงให้อุปการะิวกคนนั้นฟังโบได้เรื่องและเพิ่งว่าขวมผิดเป็นครูเพราะว่าว้าตรงเกินไปเพิ่งก็เลยบอกอมความจากนั้นมาเพื่อก็ับมาแสดงธรรมให้พวก อิตาปุตสาพระลิกาสองพี่น้องเนี่ยเขาเรียกว่าไตสนคมสองว่าสันยังว่มีไตสนคมสามจากนั้นมาจึงมาแสดงธรรมให้พวกปัญจวัคคีต่างห้าฟังมีพระทรงรู้ตามเรียกว่าไตสนคมสามาวายอ่างสันตำลาวายอย่างสันบัด น, นี้อันยักษ์โคนทัญย่ฟังเื่อเดียวเข้าใจส่วนซี่คนนั้นฟังยังบทันขเข้าใจ เพราะเขาบบได้ตั้งใจฟังฟังแล้วเสื้อลดกับโบได้เพราะพระเจ้าบอกไวด้ดีเขาเคยได้ยินได้ฟังหนังสือกลามสูตรสิบเพ้อบอกว่าญาเสื้อถือโดยเขาพูดตามกันมาเนี่ยเขาเสื้อบัดดีญาเสื้อถือโดยเขาเล่าลือกันมาเนี่ยบอให้เสื้อถือเดี๋ยวนี้เขาเสื้อถือคำเล่าลือบอกก้าวกันมาเขาเสื้อถือ ย่าเสื้อถือสันเห็นว่าเขาทําตามกันมาเนี่ยเห่งเขาทําตามกันมาย่างใดเขาเสื้อจังสันเขาเสื้อเลยโบ ไ, ได้เกิดปัญญาย่าเสื้อถือโดยเห็นว่ามันมีอยู่ในกมภีร์ในตําลาพุนน่ะเพิ่นปฏิเสธไวรอ่ะสิบคอโบให้เสื้ออย่างทั้งหมดแม่ครูบาอาจารย์คนที่สอนกับโบให้เสื้อโบให้เสื้อจีเสื้อบอนได้บัดเนี่ย เขาจริงๆเอามาเป็นเครื่องวัดเขาได้เพลนวาในหลักธรรมคุณสวาค้าโตสันพระกวตาธรรมโมสันพระธรรมอันพระภูมิภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วแน่ยตัดไว้ดีตัดไว้อย่างไดเขาได้เลือกคัดจัดฮะเอามาใส่ในบ่อนสวะค้าตัวพระวตาธรรมโมพระธรรมอันเท่าคุยภาคตัดไว้ดีแล้วสันทิติโกสัน อันผู้ลูกจะพึงเห็นเองสังข า, ารเรียกโตไม่ประกอบการและเวลาจะเป็นยุคใดสมัยใดการสร้างจะเป็นคนศ า, าสตรใดภาษาใดกตารสร้างทำซ้อนของพระพเจ้านั้นเป็นสากลศึกษาได้ทุกเพศทุกวัยทุกศาตรทุกภาษาเด็กน้อยก็ศึกษาได้ผู้นิ่งก็ศึกษาได้คนนุ่มคนสาวก็ศึกษาได้ศึกษาอันเดียว แก้ปัญหาตัวเองได้แก้การขัดแย้งตัวเองได้นั้นถูกต้องถ้าหากศึกษาไปแล้วแก้การขัดแย้งตัวเองบ่ได้นันเือวนอย่างบทันถูกต้องความทุกเกิดขึ้นเพราะมีการขัดแย้งอยู่ภายในจิตใจของเราคนนั้นพูดดีเขาสอบเขาเลยบ่ได้เห็นความคิดของเขาคนนั้นพูดบ่ดีเขาก็เลยบ่สอบเขาเลยบม่ได้เบิกความคิดของเขา โบได้เบิงจิตเบิงใจเขาเขาเคยได้ยินพระพุทธเจ้าศึกษามาแล้วอืจนได้สมาบัดแปะอันนั้นอย่างโบใช่แม่คําสอนของพระพุทธเจ้าได้นี่งตามความเข้าใจของผมตามผมเข้าใจของหลวงพอ่อแต่ก้นหลวงพ่อเข้าใจว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นพุทธศาสนาว่าเป็นความจริงแล้วเมื่อมาเข้าใจแล้วโบแม่เมื่อหลวงพ่อว่าโบแม่นางซียาสุเสือ้อ ให้ไปพิจารณาสกอรมันจริงหรือมันบ่จริงหันมันบ่จริงเขาก็ต้องจะได้แก้ไขตัวเขาเมื่อศึกษาได้สมาบัตแปดแล้วถามครูบาอาจารย์บอกว่าหมดข่มรู้ว่ามีข่มรู้ที่จะสอนแล้วอาจารย์จึงบอกให้ว่าไปประกาศธรรมะเรื่องข่มรู้ที่ศึกษาจากเหล่านี้ให้แก่บุคคลที่โบทันรู้นั้นได้รู้ส่งเสริมให้คํารู้เรื่องความสอนอันนั้น จเจริญก้าวหน้าลุ่งเรืองไปพระองค์นี้บ่อแก้ปัญหาตัวเองบ่ได้บ่พอใจเลิกเลิกได้ในการกระทํอยันนั้นเลิกได้พระ อ, องค์เมื่อเลิกมาแล้ว ก, กับพวกปัญเจาค่าขีตั้งห้าติดตามพระ อ, องค์มาห้าองค์หกกับพระพุทธเจ้าแต่ขราวนั้นยังก็่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามาอดเข้าอดนม้มกั้นลมหายใจบ่พูดบ่คุย เขาเคยเห็นรูปภาพอยู่ตามฝาผนังโบสถ์เขาเห็นรูปภาพไว้น่ะเมตตรูปกระดูกหนังเอ็นรัดลึงกันเอาไว้ไปใส่มาใส่ลําบากลําคาดเฮ็ุถึงขนาดนั้นก็ยังบวเกิดปัญญาแก้ปัญหาตัวเองบไดาพระองค์ก็เลิกได้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเฮ็ดแล้วขันมันบวเกิดปัญญาพระองค์เลิกเมื่อเขาไปยังเลิกบไดาเขาเป็นยัง ครูบาอาจารย์ว่าแล้วหอนอย่างเสื้ออยู่มั่นคงอยเฮามีอุปาทานซื้อว่าอุปทานยึดมั่นถือมั่นโดยไม่ใส่เหตุไม่ใส่ผลนี่เขาเข้าใจยังสั่นผมวอกอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเป็นวายยังสั้นเมื่อเห็นเป็นยังสั้นแล้วพระองค์ก็เลิกเลิกมาสนมาสั่นผลลไม้ไทยบ้านเหาเรีอมหาขามป้อมหมักสมมอหลวงพ่อพูดภาษาอย่างนี่คนกรุงเทพนะฟังออกไหม โยมไม่ออกติเอออ้ะก็ต้องฟังหลายเถื่อเอาไปเนี่ยคนทางสะคนละครที่ออกไหมเออออกไปเนี่ยในคนทางสระบุรีฟังออกไหมเนี่ยออกเนี่ยฟังหลายเถื่อแต่คนกรุงเทพเนี่ยฟังหลายเถื่อเอาเก่าออกคือกันเพราะหลวงพ่อเป็นคนเมืองเลยต้องว่าภาษาเมืองเลย บัด น, นี้คนอินเดียพูดภาษาอินเดียคนอินเดียก็ต้องฟังรูปกันธ์สิบัด น, นี้คนไทยศึกษาหลักพระพุทธศาสนาคําสอนของพระเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียแปลภาษาไทยให้เป็นสู้กับภาษาอินเดียให้มันตรงกันแปลภาษาอินเดียให้มาทุกกับภาษาไทยเป็นของยากไม่ใช่ของง่ายหลวงพ่อเองอันเนียวาหลวงพ่อเข้าไปอยู่เทพทีแรก คนภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานเข้าจะพูดเป็นภาษากลางหลวงพ่อเข้าใจว่าเป็นคนกรุงเทพทั้งหมดฟังบูมฮุกจักทำอิฐเมื่ออยู่ไปได้สองปีสามปีมาแล้วหลวงพ่อฟังแม้คนภาคอีสานมีนจีวาให้เป็นเสี่ยงภาคกลางเพราะบรรดากันยังจำเนียงบบถูกโบถูกจริงๆคนภาคเหนือคือกัน ว่าเพราะปัญญาการำสร้างสำเนียงจะบ่าเป็นคนภาคกลางแท้คนภาคใต้คือการพูดเพราะค่องแพ้วเมื่อฟังสำเนียงแล้วผิดกันโหลดอันนี้คนไทยศึกษาหลักพระพุทธศาสนาก็อาจจะเป็นอย่างสังกัดได้เพราะว่าเราทุกคนมานี่ต้องการถือศาสนาพุทธต้องการควมพนทุกพระพุทธสอนเตเรื่อง สอนแต่เรื่องคนโง้ให้เป็นคนสลาดขึ้นมาเขาโ ง, โง้เขายึงทุกกะถ้าเฮาโบโ ง, โง้เฮาโบทุกนะสอนคนที่กําลังทําผิดทําผิดแล้วมันยังโบกเกิดปัญญามันยังโบหูถ้าทําำผิดทําทุกต้องมันต้องหู้มันต้องเกิดปัญญาคนวันนี้สอนคนที่กําลังมีทุกข์อยู่ให้ทุกข์นั้นลดน้อยหรือหมดไปคนมีทุกข์เพราะคนขาดปัญญา คนคาดปัญญาก็ต้องทุกติอันปัญญานี้โบเมนปัญญาจากการศึกษาเราเรียนจากตำลักตำราโบเมนอย่างตันปัญญาเกิดขึ้น เ, นเพราะการเจริญส ต, ติการเจริญสมาธิการเจริญปัญญาเพราะการเจริญวิปัสนาวา่าดยงตันวิปัสสนามันเป็นซื่อซื่อเป็นซื่อของขอมรู้แจ้งเห็นจริง เป็นซื้อของขุมต่างเก่าล่วงภาวะเดิมเลยเมื่อเห็นแจ้งรู้จริงลราก็ต่างโหลดต่างเก่าโหลดเพราะบรให้คือเก่าบเว้าคือเก่าล่วงภาวะเดิมท่านล่วงจากภาวะที่ขุมบลูรู้แล้วบ่นนี่ล่วงจากภาวะที่ขุมสงสัยเมืคอขมสงสัยแล้วบ่น เ, น เ, เนนินี่ยเพราะเรารู้แจ้งเห็นจริงเราจึงโบเสื่อไผ่ทั้งหมด เขาสวดกันไวแล้วในหลักสังฆคุณกระสวดหลักธรรมคุณกระสวดหลักพุทธคุณกระสวดแต่เขาสวดเป็นภาษาบาลีเขาโบาได้แปลเมื่อแปลแล้วยังบ่ได้ทําผมเข้าใจบว่าอื่นไกลว่าแต่เพียงน้โมตัสระนี่ก็คือกันเนีย่ยพอเคยพูดเคยว่านโมตสระมาตั้งแต่โตเลยน้อ ย, อยพุ่นละ่ะน้โมตสระนี่โบได้เรียนเน่ยพอ ว่าเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้วัดนละครบาอาจารย์ก็สอนแล้วเด็กน้อยไปด้วยกัง ก, ก, กวา น, ะมานนะมาวโมตัสสะนโมตัสสะพระวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะวาได้ ว, า, ด า, วาสามเถื่ออีกสระด้วยนะญาติโยมทุกคนเขาทําวัดเส้าวัดเย็นเมื่อกี้เนี่ก็กว่าสามเถื่อเนี่ยญาติโยมทมําบุญที่ไหนก็ต้องวาสามเถื่อนโะมสามจบ แล้วรู้จักความหมายดีบ่บางทีบุรู้จักได้เพียงแป่ได้เดี๋ยวนี้แปไตตแนน่ได้นโมตัสสะพระคัลโวโตแปลวหขอนกน้อมแด่พระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นอะสอราหาโตสันแป่ผู้ไกลจากกิเลสสันสมมาสัมพุทธะตัดสรู้เองโดยชอบอะสันขาแป่ได้แป่เขาเข้าใจแล้วบอกถ้าหากบอกเข้าใจซื้ว่าเขาอย่างบอกเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนา ศา temps, สนานี่จึงมีหลายลัทธิมีหลายนิกายในประเทศอินเดียมีลอยแลัทธิลอยแปนิกายลอยอาจารย์ลอยแปศาสนาอัสสัมพันวาคุบาอาจารย์สอนถ้าหากศาสนาลอยแลัทธิลอยแปนิกายลอยแปอาจารย์นั้นจะไม่เห็นด้วยพระพุทธเจ้านี่ลอยเจลัทธิลอยเจนิกายลอยเจอาจารย์นั้นจะบ่เห็นด้วย พระเจ้าองค์เดียวนี่ก็คือกันจะไม่เห็นด้วยร้อยเจ็ดนาทีนั้นร้อยเจ็ดนิกายนั้นดังนั้นเราเป็นคนเลือกคัดจัดหาเอาให้มันได้ชื่อว่าคนคําว่าคนคนนี่มันมีความหมายลึกลับซับซ้อนอมันได้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นแขงขาหน้าตามือเท้าเป็นคนนั่นโบแมนมันแมนยูเพราะเกิดกับคนมันก็ต้องเป็นคนที่เกิดกับสัตว์มันก็ต้องเป็นสัตว์ที่คน ถ้าหาเขาพัฒนาให้เป็นคนเลือนสันขึ้นปไหมุดความเป็นคนสูงขึ้นไปเด้๋ยวไปบนหมุดทังซัวเดว้สูงก็ควมเป็นคนจิตใจสูงก็ควมเป็นคนไปกลัขึ้นไปเป็นมนุษย์เขาพัฒนาจิตใจเขาสูงขึ้นไปจากความเป็นมนุษย์เรียกว่าเป็นเทวดาเขาพัฒนาจิตใจของเขาสูงขึ้นไป ผู้เทวดาก็เรียกว่าเป็นพระอินทร์พระพรมเขาพัฒนาจิตใจของเขาสูงขึ้นไปก็พระอินทร์พระพรหมก็เรียกว่าเป็นพระอาริยบุคคลเพิ่นวาจังตันเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้พัฒนาจังตันเขาฟังซื้ อ, อ, อฟังแล้วบ่ได้มาแก้ไขปัญหาตัวเองคําว่าคนมันจึงมีหลายคมหมายบันนี้คําว่าคนแบบเนี่ยหมดจะควรมเป็นคนขาดทุนได้ว่าต่าลงไปเป็นอย่ง เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่หน้าตาแข้งขามือเท้านั้นเป็นคนอยู่จิตใจเป็นสัตว์เดรัจฉานมันจะควรเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นหยังเป็นสัตว์นรกมันจะควรเป็นสัตว์นรกก็เป็นเปตเป็นอสุรกายเป็นอย่างตันยังว่าคนเป็นศูนย์กลางเลือกคัดจัดหาเอาได้ในเมืองไทยมีหลายครูหลายอาจารย์สอนกรรมฐานสอนมิัจนา สอนวิธีให้บุญเออสอนวิธีทำบุญให้ฐานมีหลายครูหลายอาจารย์สอนบุคือกันเขาเป็นคนเขาต้องเลือกเอาได้เพราะเขาต้องการความจริงเมื่อนี้จึงว่าความจริงสู้กันฟังถ้าหากบอกว่าความจริงสู้กันฟังแล้วก็